รักคำสัตย์ยิ่งกว่าชีวิตเพื่อมุ่งหน้าออกปฏิบัติกรรมฐานตามคำสัตย์ที่ตั้งไว้ท่านจึงเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหาโอกาสกราบลาพระเถระผู้ใหญ่ อาจารย์ของท่านแม้พระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเมตตาหวังอนุเคราะห์ให้ท่านศึกษาเปรียตต่ออีกด้วยเห็นว่าในสมัยนั้นพระภิกษุที่มีความรู้ระดับมหาเปลี่ยนมีน้อยมากแต่ท่านได้เคยพิจารณาแล้วว่าความรู้ระดับ มหาสามประโยคนี้ก็เพียงพอแล้วกับการจะออกปฏิบัติกรรมฐานวิชาความรู้ขนาดเป็นมหาแล้วย่อมไม่จนตรอกจนมุมง่ายๆและอีกประการหนึ่งท่านยังคงระลึกถึงความสัตย์ที่เคยตั้งต่อตอนเองไว้ว่าฝ่ายบาลีขอให้จบเพียง เรียนสามประโยคเท่านั้นส่วนนักธรรมแม้จะไม่จบชั้นก็ไม่ถือเป็นปัญหาแล้วจะออกปฏิบัติโดยทายเดียวจะไม่ยอมศึกษาและสอบประโยคต่อไปเป็นอันขาดด้วยเหตุนี้ ท่านจึงพยายามคิดหาทางหลีกออกเพื่อปฏิบัติให้ได้พระเอินในระยะนั้นพระเถระอาจารย์ของท่านรับนิมนต์ไปต่างจังหวัดท่านจึงถือโอกาสนั้นเข้านมัสการกราบลาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัด บรมยิวาาในขณะนั้นท่านก็ยินดีอนุญาตให้ไปได้เหตุการณ์ในตอนนั้นท่านเล่าไว้ดังนี้บุญกรรมก็ช่วยด้วยนะผู้ใหญ่ท่านไม่อยากให้ออกท่านห้ามไว้เลยว่ายังไม่ให้ออก ใค้เรียนจนได้ป ร, รยนหกประโยคเสียก่อนจึงค่อยออกแต่เรายังไงก็ไม่อยู่แต่จะหาออกด้วยมารยาทอันดีงามเท่านั้นเองศกโอกาสเมื่อไรแล้วเราจะออกพอดีท่านไปต่างจังหวัดละสินั่นหละโอกาสมันก็เหมาะพอท่านไปต่างจังหวัดพับ เราก็ปับออกเลย อ, ออกปฏิบัติกรรมฐานสแสวงหา ครูบาอาจารย์เรียนปริยัต์แอบปฏิบัติช่วงที่ท่านเรียนปริยัต์อยู่นั้นเมื่อว่างจากการเรียนท่านจะพยายามหลบหลีกจากหมู่เพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกัน โดยแอบนั่งสมาธิในกุฏิคนเดียวหรือเดินจงกรมในช่วงเวลาดึกดึกอยู่เสมอด้วยเกรงผู้อื่นจะพบเห็นอันทำให้ท่านเกิดความเกื้อเินในการปฏิบัติท่านเคยเล่าแบบขบขันถึงเหตุผลที่ต้องแอบหลบเพื่อนมาภาวนาดังนี้ เราภาวนาอยู่ทุกวันนี้เรียนหนังสือเราไม่เคยและนะหากไม่บอกใครให้รู้เพราะอยู่กับพวกลิงด้วยกันถ้าไปภาวนาเดี๋ยวมันมาพูดแย่กันโอ้จะไปสวรรค์นิพพานเดี๋ยวนี้เฉหรือนั่นนะพวกเดียวกันมันพูดกันได้นี่นะจะว่าไงไม่ถือสีถือสากันนี่ จะไปสวรรค์นิพพานนะนี่พวกเราอย่าไปกวนท่านนะท่านกําลังเตรียมจะไปสวรรค์นิพพานต้องมีแย่กันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้รู้นั่งภาวนาเฉยไม่ให้รู้นะปิดประตูเราไม่ให้เห็นถ้าออกมาก็เป็นลิงเหมือนเขาเสียถ้าเข้าในห้องเป็นแบบนั้น กลางคืนดึกๆออกมาเดินจมกรมมันเป็นอยู่ในหัวใจนี่จะว่าไงหากบอกใครไม่ได้อย่างนี้ไม่บอกใครเลยเพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันก็ไม่บอกเป็นลิงไปกับเขาเสียอย่างนั้นด้วยเหตุนี้เองการปฏิบัติจึงไม่ค่อยเต็มที่เท่าใดนักท่านเคยเล่าถึงการภาวนา ในช่วงที่เรียนหนังสืออยู่เจ็ดปีเต็มว่าเป็นเพียงสงบเล็กๆน้อยๆธรรมดาธรรมดาจิตสงบของมันอยู่ธรรมดาจะมีก็เพียงสามหนเท่านั้นเป็นอย่างมากที่จิตลงถึงขนาดที่อัศจรรย์เต็มที่คือลงกึกเต็มที่แล้วอารมณ์อะไรขาดหมดในเวลานั้น เหลือแต่รู้อันเดียวกายก็หายเงียบเลยท่านว่ามันน่าอัศจรรย์มากและนี้เองเป็นเครื่องฝังจิตฝังใจของท่านให้มีความสืบต่อที่จะออกปฏิบัติและกล้าที่จะพูดเปิดเผยให้หมู่เพื่อนได้ฟังถึงความตั้งใจที่จะเรียนจบแค่ เรียนสามประโยคเท่านั้น กวนจิตใจครั้งเมื่อถึงคราวออกปฏิบัติเต็มตัวท่านจึงออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาโดยพกหนังสือปาติโมกเพียงเล่มเดียวติดย่ามไปเท่านั้นและเข้าจำพรรษาที่วัดในอำเภอจั ก, กราศ นับปีบวชได้แปดพัรษาพอดีท่านว่าพอเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังขึ้นกลับเหมือนมีมารมาคอยก่อกวนสิ่งที่ไม่เคยรู้สึกไม่เคยเป็นในสมัยเรียนหนังสือกลับรากดขึ้นเป็นความรุ่มร้อนฝังลึกอยู่ในใจท่านเล่าถึงความรู้สึกตอนนี้ว่า แปลกจริงเวลาเราเอาจริงเอาจังตั้งจะอยู่เรียนหนังสือจิตก็ไม่เห็นเป็นเวลาออกปฏิบัติตอนจะเอาจริงเอาจังมันจะมีมานหรื อ, อยังไงนะได้ยินเสียงผู้หญิงก็ไม่ได้นะทำไมเรื่องของราคะมันยบทันทีทันทีเลยจนเรางงเหมือนกันเอา เราก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมไม่เคยสนใจกับผู้หญิงเลยทำไมเพียงได้ยินเสียงผู้หญิงเท่านั้นมันก็แยบแต่มันแยบอยู่ภายในจิตต่างหากนะมันแยบแยบแยบของมันเอ๊ะชอบกนวะทำไมมันเป็นได้อย่างนี้ท่านก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะไปหาภาวนาอยู่ในป่าเพื่อฆ่ากิเลสแต่กลับโดนเข้าจอเรื่องทุกข์ร้อนจากอารมณ์ที่คอยกวนจิตใจสงครามการต่อสู้ในระยะนั้นท่านเล่าว่าไปหาภาวนาอยู่ในป่าทั้งๆที่จะฆ่ามันอยู่นี่นะมันเห็นสาวมันก็ยังขยับอยู่นะโถอย่างนี้สิ มันเป็นของมันนี่นะตัวนี้มันไม่ให้ภาวนากับเรานี่นะมันจะหาแต่เรื่องของมันอยู่นั่นละหะหไปภาวนาอยู่ในป่าเราก็บอกตรงๆอยู่นี่นะพอไปเห็นสาวสวยสวยในหัวใจมันเองนะเขาจะสวยไม่สวยก็ตามมันหาว่าสวยสาวคนนี้สวยวะ่ะแต่มันสำคัญที่เราปฏิบัติอยู่แล้วนะ มันขยับมานั้นตีกันพวกเลเเชียวไม่ได้นี่ที่นี้ภาวนาไม่ได้แล้วสิมันจะเป็นเหตุแล้วหนีเลยหนีเลยนะแต่ส่วนมากชนะเพราะมันตั้งท่าจะฆ่ากันอยู่แล้วแล้วมันยังมาตั้งหมัดตั้งมวยต่อหน้าต่อตานี่มันจะไม่ให้โมโหได้ไงนี่เรื่องกิเลส มันมีมากน้อยเพียงไรมันจะแสดงอยู่ภายในใจมันเป็นค่าศึกของใจมันเป็นอย่างนี้เป็นตลอดมาเก่งมีมากมีน้อยมันจะเป็นของมันอยู่ในจิตนะเพราะเราจะค่ามันอยู่กับจิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อมาท่านได้พิจารณาย้อนหลังเทียบกับสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่ กิเลสราคะตัณหาไม่เห็นเป็นพิษเป็นภัยอะไรมากมายคงสงบตัวอยู่เงียบๆครั้นพอออกปฏิบัติตั้งใจจะฆากิเลสโดยตรงกลับดูเหมือนว่ามันกำเริบเสรฟสารมากยิ่งขึ้นท่านอธิบายเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ว่าเวลามาพิจารณาทีหลังไม่ใช่อะไรนะ เรามีสติสตังบ้านเวลาแยบออกไปมันเลยรู้รู้ได้ง่ายไม่ใช่เราเป็นอย่างนั้นมันกลับกำเริบขึ้นมาก็ไม่ใช่เวลาผ่านไปถึงรู้อ๋อแต่ก่อนจิตของเรามันมืดมันดำมันไม่รู้เรื่องรู้ราวเหมือนหลังหมีนี่แล้วมันจะไปทราบอะไร สีขาวสีด่างสีอะไรมันเป็นหลังหนีเสียหมดทีนี้พอเราผ่านไปแล้วค่อยๆรู้เวลาจิตละเอียกเข้ามันรู้ได้เร็วเป็นเหมือนกับว่ามันแสดงกิเลส ข, ขึ้นอย่างรวดเร็วเย็บเท่านั้นละพอให้รู้ไม่เลยจากนั้นจึงได้เร่งกันใหญ่ กายถวายชีวิตต่อธรรมที่อำเภอจักราฐแห่งนี้ท่านได้พยายามเร่งทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่มาถึงที่แรกจนตลอดพรรษาโดยไม่ยอมทำงานอะไรทั้งนั้นนอกจากงานสมาธิภาวนา เดินจงกรมอย่างเดียวเพราะได้ตั้งใจแล้วว่าคราวนี้จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยอย่างอื่นไม่หวังทั้งหมดหวังความพ้นทุกอย่างเดียวเท่านั้นจะให้พ้นทุกในชาตินี้แน่นอน ขอแต่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้ชี้แจงให้เราทราบเรื่องมรรคผลนิพพานว่านี้อยู่จริงเท่านั้นเราจะยอมมอบกายถวายชีวิตต่อท่านผู้นั้นและมอบกายถวายชีวิตต่ออัตตธรรมด้วยข้อปฏิบัติอย่างไม่ให้อะไรเหลือหลอเลยตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติ ไม่ให้ตาย ด, ด้วยความถอยหล ah ังจิตปักหลงเหมือนหินหักเหตุนี้เองหลังจากนั้นไม่นานท่านว่าจิตก็ได้รับความสงบปรากฏว่าได้ผลลีตลอดพรรษาอย่างไรก็ตามด้วยความเมตตาสงสารของพระเถระผู้ใหญ่ อยากให้ท่านกลับกรุงเทพเพื่อเรียนต่อในชั้นสูงขึ้นอีกทีแรกพระเถระท่านก็ฟาดผ้าหม่มผืนใหญ่พร้อมแนบจดหมายมาถึงโคราชข้อความในจดหมายมีเพียงสองสามประโยคมีใจความว่าให้มหาบัวกลับกรุงเทพโดยด่วน ให้กลับกรุงเทพโดยด่วนท่านรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของพระเทระที่มีต่อท่านเป็นอย่างสูงแต่เพราะได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วจึงไม่ได้ตอบจดหมายกลับไปแต่อย่างใดแม้กระนั้นก็ตามพระเทระท่านยังอุตสาเขียนจดหมาย ตามมาสั่งให้ไปพบที่สถานีรถไฟอีกท่านเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นว่าทีนี้พอออกพรรษาแล้วท่านก็มาท่านเขียนจดหมายมาบอกวันนั้นวันนั้นเราจะผ่านไปโคราช บ, บอกขบวนรถมันก็มีขบวนเดียวออกตอนเช้าถึงอุบลให้เราไปรอดักอยู่สถานี ท่านจะเอากลับกรุงเทพให้เราไปรออยู่สถานีพอไปถึงก็ว่ามหาบัวต้องกลับกรุงเทพมหาบัวต้องกลับกรุงเทพรถไฟมันจอดนาทีเดียวนี่นะรถไฟก็ช่วยเราด้วยด้วยพูดกันยังไม่สักกี่คำมหาบัวต้องกลับกรุงเทพ มหาบัวต้องกลับกรุงเทพโดยด่วนนะต้องกลับกรุงเทพสักเดียวรถก็เคลื่อนเราก็โดดลงรถไฟไปรอดตัวแปลกอยู่นะอะไรอไรก็ดีรู้สึกว่ามันพร้อมพร้อมนะอุปสรรคไม่ค่อยมีว่าจะออกทางนี้นะรู้สึกว่าคล่องตัวคล่องตัว อย่างผู้ใหญ่ท่านห้ามอย่างเข้มงวดกวดขันอย่างนี้ก็เหมือนกันรอดไปได้แม้แต่ขึ้นไปสถานีรถไฟรถไฟยังช่วยสักเดียวรถไฟเคลื่อนที่ปึงปังก็โดดลงรถไฟได้เท่านั้นท่านก็ไม่ทราบจะว่ายังไงไม่ได้รับคำตอบจากเราเลยตามคู่อยู่เรื่อยนะท่านสงสาร ท่านเมตตามากนะกับเรามอบให้เราหมดแหละในคณะนั้นๆภายในวัดบรมดีวาดเป็นคณะใหญ่เพราะท่านเป็นเจ้าขุนนี่ให้เราเป็นผู้ดูแลคณะเพราะฉะนั้นท่านถึงได้เข้มงวดกวดขันในการไปการมาของเราท่านไม่ให้ไปไหนเหมือนว่าผูกมัดในตัว เราเคารพผู้ใหญ่เราก็เคารพแต่เราเคารพความสัตว์นี้สุดหัวใจเรายิ่งกว่าผู้ใหญ่เราจึงหาทางออกจนได้ น้ำใจหายากระยะที่ท่านพักอยู่ที่โค ร, ราชนี้วันหนึ่งเป็นวันที่ฝนตกฟ้าขนองท่านจึงต้อ ง, องลงอยู่ที่กุจิสายฝนที่ตกจากท้องฟ้าทําให้ท่าน หมวนระลึกถึงร่มคันหนึ่งซึ่งเคยได้มาจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นร่มที่มีราคาแพงและสวยงามมากขณะที่ท่านกำลังพินิจชมร่มอยู่นั้นมีชาวศรีสะเกตสองสามีภรรยาแต่ไปทำงานอยู่ทางภาคกลางได้เดินโซซัดโซเซ ด้วยพิษไข่เข้ามาหาท่านหวังจะขอยาแก้ไขเพราะเงินติดกระเป๋าแม้สตางค์หนึ่งก็ไม่มีเลยเหตุการณ์ตอนนี้ท่านเล่าว่าเราได้ร่มเชียงใหม่มาคันหนึ่งโอ้ยสวยงามมากนะร่มคันนั้นแต่ก่อนมันถ้าราคาถึงสิบสลึงสามบาทเรียกว่าแพงที่สุด ร่มชิงใหม่ทำนี้เป็นร่มที่ดีที่สุดได้ร่มมาคันหนึ่งเราก็เอามาชมของเราถ้าภาษาอีสานเรียกว่ามาย ง, งเบิง่งมันสวยพอดีสองสามีภรรยามาผัวไข้สันงอกงอกแง ก, กมาไม่มีร่มกั้นมาขอยายาก็ไม่มี สั่น ง, งอกๆอกแงะแงอยู่งั้นแหละพอดีเราก็มีร่มคันหนึ่งจะไปทางไหนะนี่ทั้งไปทั้งสั่นอยู่นี้ทั้งฝนก็ตกฟ้าก็ลงอยู่นี้จะไปได้ยังไงโอ้ยก็ไปยังงั้นแหละจะกลับบ้านสีสเกตเราก็เลยว่าเอาซะ ร่มคันนี้สวยงามมากแน่นหนามันคมมากเราให้เขาไม่กล้ารับเพราะเห็นว่ามันเป็นของดีก็เลยว่าโอ้ยแล้วอยาคูคำเรียบพระทางภาคอีสานจะใช้ไหนละ่ะเราว่าใช้อันไหนก็ช่างเถอะเรามีร่มใหญ่อยู่นี้ร่มมีอยู่นี่ก็กุติยังไง นี่แหละร่มใหญ่ของเราเอาร่มน้อยไปเถอะจากนั้นแกก็ให้พรด้วยนะแกพูดว่าโอ๊ย้ยเอาของดิบของดีให้ขอให้ท่านจงเจริญรุ่งเรืองในทําเดอ้อตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยมีกับเขาสักทีที่แกพูดเช่นนี้เพราะร่มคันนี้ยังเป็นของใหม่อยู่ ท่านเองก็ยังไม่เคยได้ใช้สักครั้งเลยเมื่อได้ร่มไปแล้วทั้งคู่จึงจางดูแล้วดูเล่าพลิกท้งนั้นหันทางนี้ยางชื่นชมในความงามและด้วยความดีใจจนลืมทุกข์จากพิษไข้ไปได้ชั่วขณะเพราะไม่เคยมีของดีๆเช่นนี้มาก่อนเลยเมตตาจิตของท่าน ที่มีแต่ให้ของดีๆแกผู้อื่นเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำนิสัยของท่านมาแต่เดิมและตลอดมา เดินทางจากจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานีตั้งใจว่าจะไปจําพรรษากับท่านอาจารย์มั่นที่วัดป่าโนนดิเวศอุดรธานีแต่ไม่ทันท่านเพราะท่านรับนิมนต์ไปจังหวัดสกลนครเสียก่อนท่านจึงเลยไปพักอยู่ที่ วัดทุ่งสว่างจังหวัดหนองคายท่านเล่าถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นว่าไปพักร้อที่วัดทุ่งสว่างเพื่อจะไปหาท่านอาจารย์มั่นตอนนั้นยังไม่ได้มีกำหนดแต่จะต้องไปแน่ๆก็พอดีมีพระองค์หนึ่งชื่อพระสีนวล เพิ่งมาจากวัดป่า บ, บ้านโคกนามนแล้วผเอิญเข้าไปพักด้วยกันที่วัดทุ่งสว่างเราถามท่านว่ามาจากไหนมาจากบ้านนามนจากท่านอาจารย์มั่นหึ่งหขึ้นทันทีเลยนะเพราะพอได้ยินชื่อว่าท่านอาจารย์มั่นรู้สึกตื่นเต้นดีใจ จึงถามย้ำเข้าไปอีกท่านจึงว่ามาจากท่านอาจารย์มั่นเวลานี้ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่ไหนพักอยู่บ้านนามนแล้วมีพระเนนพักอยู่กับท่านมากน้อยเพียงไรแปดก้าองค์ท่านไม่รับพระมากอย่างมากขนาดนั้นเท่านั้นแหละ ได้ทราบว่าท่านดุเก่งใช่ไหมโหไม่ต้องบอกพอไล่ไล่หนีเลยพระองค์นั้นว่างั้นเลยนะพอท่านได้ยินดังนี้แทนที่จะคิดเป็นผลลบกับท่านอาจารย์มั่นกลับรู้สึกถึงจิตถึงใจกับความเด็ดของท่านอาจารย์มั่นและแอบคิดอยู่แต่ผู้เดียวในใจว่า อาจารย์องค์นี้ลหละจะเป็นอาจารย์ของเราต้องให้เราไปเห็นเองท่านจะดุแบบไหนแบบไหนไหนครูบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมานานขนาดนี้จะดุจะดา่าขับไล่สายส่งโดยหาเหตุผลไม่ได้นี้เป็นไปไม่ได้ท่านพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่าง ประมาณกว่าสามเดือนจากนั้นพอถึงเดือนพฤกษาคมสอง5หเป็นพรรษาที่เก้าของท่านท่านก็ออกเดินทางจากหนองคายไปจังหวัดสกลนครเพื่อมุ่งสู่ท่านอาจารย์มั่น